ผ่ารหัสนั weakened, Teddy, SI ้นถึงความชํานาญถึงความสําเร็จในอริยศีลอริยศีลคืออะไรสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาชีวะถึงความชํานาญถึงความสําเร็จในอริยสมาธิก็คือสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิถึงความชํานาญในอริยปัญญาก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะถึงความชํานาญในถึงความสําเร็จในอริยวิมุตติก็คือกุศลธรรมที่สัมปยุติกับอริยมรรคนั่นเอง มันก็คือท่านเนี่ยเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีล อ, อริยาศีลอริยาสมาธิอริยะปัญญาและอริยะวิมุตต์พระอรหันต์นั้นไปสู่ฝั่งแล้วถึงฝั่งแล้วไปสู่ฝั่งไปด้วยอะไรไปนะไปสู่ฝั่งไปด้วยมรึกถึงฝั่งคือนิพพานไปสู่ส่วนสุดแล้วถึงส่วนสุดแล้วนะไปสู่ส่วนสุดก็คือไปสู่ส่วนสุดสังขารโลกด้วยอริยมรึกถึงส่วนสุดคืออริยผล ไปสู่ที่สุดสังขารโลกด้วยมรรคถึงที่สุดแห่งสังขารโลกด้วยผลไปสู่ที่สุดรอบแห่งขันทโลกเป็นต้นเนี่ยนะด้วยอริยมรรคถึงที่สุดรอบแห่งขันทโลกเป็นต้นด้วยอริยผลไปสู่ความสาเร็จนะสู่ความสำเร็จด้วยอริยมรรคถึงความสำเร็จด้วยอริยผลไปสู่ที่ป้องกันแล้วด้วยอริยมรรคถึงที่ป้องกันคืออริยผลเนี่ยนะ ไปสู่ที่ลับแล้วด้วยอริยมรรคถึงที่ลับคืออริยผลไปสู่ที่พึ่งด้วยอริยมรรคถึงที่พึ่งก็คืออริยผลไปสู่ที่ไม่มีภัยด้วยอริยมรรคแต่นะถึงที่ไม่มีภัยคืออริยผลไปสู่ฝั่งแห่งความไม่ตายด้วยอริยมรรคถึงฝั่งแห่งความไม่ตายคือจุติด้วยอริยผลนะไปสู่ที่ไม่ตายด้วยอริยมรรคถึงที่ไม่ตายด้วยอริยผลไปสู่นิพพานด้วยอริยมรรคก็ถึงนิพพานด้วย อริยผลเนี่ยนะพาาระอรหันต์นี่ก็เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอริยมรรคสี่และอริยผลสพระอรหันต์นั้นอยู่จบแล้วอยู่จบอะไรก็คือจบพรหมจรรย์นะ น, นะประพฤติจารณะคือสมาบัติ8และอริยศีลถึงทางไกลมีทางไกลอันถึงแล้วก็คือถึงที่สุดแห่งวตตน์นะมีทิศคือนิพพานอันถึงแล้วมีที่สุดคืออนุ ป, ปาทิเสสนิพพานเนี่ยถึงแล้วมีพรหมจรรย์คือไตรสิกขารักษาแล้ว ถึงทิฐิคือมัคคทิฏฐินะโดยเฉพาะอรหัตตะมัคอันอุดมเนี่ยถึงแล้วมีมัคอันเจริญแล้วมีละมีกิเลสอันละแล้วมีการแทงตลอดคืออรหัตตผลไม่ได้กําเริบมีนิโรธอันทําให้แจ้งแล้วมีทุกขอันทำปริญญาแล้วมีสมุทัยอันละแล้วมีนิโรธอันทําให้แจ้งแล้วมีมัคอันเจริญแล้วมีธรรมะที่ควรตรัสรู้ หรือที่ควรรู้ยิ่งได้รู้ยิ่งแล้วมีธรรมะที่ควรกําหนดรู้กําหนดรู้แล้วอ่ะมีธรรมะที่ควรละละได้แล้วมีธรรมะที่ควรเจริญเจริญแล้วมีธรรมะที่ควรทําให้แจ้งก็ทําให้แจ้งแล้วเนี่ยเนี่ยท่านถ้าเราศึกษาตรงนี้นะเราสามารถเจริญสังขานุสติคือระลึกนึกถึงคุณของพระอรหันต์ได้เป็นอย่างดีแต่ที่จําง่ายๆก็คือท่านไปด้วยอํานาจอริยศีลอริยสมาธิอริยปัญญาปฏิบัติอ่า ไปด้วยอริยมรรคถึงด้วยอริยผลเนี่ยนะด้วยการอบรมในไตรสิกขาไปถึงทิศคือพระนิพพานเนี่ยนะมีการแทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะกำหนดรู้ทุกขสัจเจริญมรรคสัจละสมุทัยสัจเนี่ยนะแล้วก็มีการบรรลุ ถ, ถึงอรหัตผล น, นะอภินญยยธรรมปรินยัยยธรรม ปหาตปรธรมภาเวตปรธรมสัจจิคาตปรธรมนี่ก็เป็นธรรมะที่ควรศึกษาควรฟังควรเรียนรู้ให้เข้าใจถ้าเข้าใจธรรมะเหล่านี้เราก็จะรู้ถึงคุณธรรมของพผ้ารหัน น, นะถ้ารู้คุณธรรมของพผ้ารหันเวลาสวดมนต์อรหังสัมมาสัมพุโทโธพระควาตรงนี้เราก็จะเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นนันนะผ้ารหันนั้นมีอวิชชาเป็นลิ่มสลักอันถอนได้แล้วอวิชชาเนี่ยเป็นริมนะมันเหมือนตะปูอ่ะตีตอกหลักเอาไว้เลยตรึงไว้ที่ไหน ตรึงไวในวะตะเนี่ยนะเพราะอาวิชชาเนี่ยมันเป็นลิ่มที่ที่ถอนได้ยากเนี่ยนะถ้าไม่ใช่อริยมร์ถอนอวิชชาไม่ได้หรอกเนี่ยนะมีกรรมอันเป็นครูกรรมเนี่ยเป็นเหมือนครูใช่ไหมเพราะกรรมเนี่ยเป็นตัวทําให้เกิดในพบใหม่อันกรรมจัดเสียแล้วมีตันหาเป็นเหมือนเสาระเนียดเพราะเป็นมูลแห่งวะตะเนี่ยนะท่านถอนตันหาได้หมดแล้วไม่มีสังโยชน์เป็นเหมือนบานประตูทั้งสังโยตเบื้องต่ําสังโยตเบื้องสูงเนี่ยนะ เป็นผู้ไกลาจากกิเลสเพราะเป็นผู้บริสุทธิ์จากกิเลสอันเป็นข่าศึกเนี่ยนะข้าสึกภายในศัตรูภายในเพชฌฆาดภายในก็คือกิเลสอ่นนะเนาะมีมานะที่เป็นเหมือนธงนี่ให้ตกไปแล้วมีภาระคือขันห้าอภิสังขารคือกรรมเป็นต้นเนี่ยปลงแล้วคือปลงขันเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็อภิสังขารท่านก็ปลงเรียบร้อยแล้วมีภพสามเนี่ยปลงเรียบร้อยไม่มีเหลือ ทั้งขันทั้งกิเลสอภิสังขารทั้งกามคุณเนี่ยท่านท่านปรองท่านวางได้หมดแล้วคือไม่มีกําหนัดไม่มีฉันทราคาในสิ่งนั้นนะมีโยค่ากิเลสมีได้เกี่ยวข้องมีองค์ห้าคือนิวรห้าละแล้วประกอบด้วยองค์หคือฉลังผู้เบกขาแล้วก็ท่านเป็นผู้มีสติเนี่ยเป็นธรรมะเครื่องรักษาอย่างเอกมีธรรมะเป็นที่เครื่องอาศัยเนี่ยนะคือที่เสพที่เวน้นที่บรรเทาที่ละแต่อย่างเยี่ยมมีทิฏฐิสัจะ คือทิฐิของสมณะพราหมภายนอกเนี่ยละได้หมดเกลี้ยงแล้วล ก, ก็คืออุเบกขาด้วยมหากิริยาจิตในทวารทั้งหเนี่ยนะในการรับรู้อารมณ์หก็มีแต่กิริยาจิตเนี่นะยนะมหากิริยาจิตนั่นแหละมีการสแสวงหาอันชอบไม่หย่อนประเสริฐเนี่ยนะคือท่านเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีมีความเพียรไม่ย่อหย่อนเลย มีความดําริไม่ขุนมัวคือไม่มีการมวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสา ว, วิตกสักอย่างมีกายสังขารอันระงับแล้วคือเข้าฌานสีได้นะมีจิตหลุดพ้นแล้วมีปัญญาเครื่องหลุดพ้นด้วยดีเป็นผู้มีความบริบูรณ์มีพรหมจรรย์อันอยู่จบแล้วเนี่ยนะพรหมจรรย์หรืออริยมรรคพรหมจรรย์หรืออริยวาสเนี่ยอยู่จบแล้วเป็นอุดมบุรุษคือเพราะหมดกิเลสเป็นบรมบุรุษเพราะบรรลุ ถ, ถึงประมัติคือพระนิพพาน ถ้ารหันนั้นมิได้ก่อมิได้กําจัดกําจัดแล้วตั้งอยู่คือท่านไม่ก่อวัตตะไม่เพิ่มวัตตะแต่ก็ไม่ได้กำจัดกิเลสเพราะอะไรเพราะท่านกำจัดกิเลสได้เรียบร้อยหมดแล้วมิได้ละมิได้ถือมั่นละแล้วจึงตั้งอยู่คือท่านเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องละกิเลสที่ต้องละอีกนะไม่ถือมั่นด้วยอํานาจตันหามานาทิฐิเพราะท่านละสิ่งเหล่านั้นทั้งมวลแล้วดํารงอยู่ท่านมิได้เย็บไม่ได้ยกท่าน เย็บเสร็จแล้วจึงตั้งอยู่นะคือไม่ต้องมิได้เย็บมิได้ยกอะคือท่านทำกิจของท่านเสร็จแล้วนะเลยไม่ต้องเย็บวัตตะอะไรอีกมิได้ดับมิได้ให้ลุกดับแล้วดำรงอยู่ดำรงอยู่เพราะเป็นผู้ประกอบด้วยสีละขันอันเป็นอาเสขาเนี่นะสมาธิขันอันเป็นของพระอาเสขะปัญญาขันอันเป็นของพระอาเสขะวิมุตติขันอันเป็นพระอเสขะวิมุตติยานัทสนะขันอันเป็นอาเสขะ แทงตลอดอริยสัจสี่แล้วตั้งอยู่ น, นะอริยสัจเนี่ยแทงตลอดโดยบริบูรณ์ก้าวล่วงตันหาอย่างนี้แล้วตั้งอยู่ดับไฟคือกิเลสแล้วตั้งอยู่ตั้งอยู่ด้วยความไม่ไม่ต้องไปรอบยึดถือเอาแล้วยึดถือเอายอดแล้วตั้งอยู่ตั้งอยู่ด้วยผู้ซ่องเสพปีมุตเนี่ยนะก็คือโดยมากท่านก็ดารงอยู่ด้วยพร ะ, ะสมาบัติเนี่ยนะพระอรหันนะ ดำรงอยู่ด้วยเมตตาดำรงอยู uter, keep, like, <t aps incorrectly> ่ด <aps 6> ้วยกรุณาดำรงอยู่ด้วยมุทิตาดำรงอยู่ด้วยอุเบกขาอันบริสุทธิ์นะพรหมวิหารของท่านบริสุทธิ์ไม่มีตันหาชาบทาแม้แต่นิดเดียวดำรงอยู่ด้วยความบริสุทธิ์โดยส่วนเดียวดำรงอยู่ด้วยความเป็นผู้ไม่แข็งกระด้างด้วยตันหาทิฐิมานะอันบริสุทธิ์ตั้งอยู่เพราะเป็นผู้หลุดพ้นตั้งอยู่เพราะเป็นผู้สันโดษตั้งอยู่ในส่วนสุดรอบแห่งขัน ขันของท่านเนี่ยนะในภพนั้นจะเป็นขันสุดท้ายขันห้าสุดท้ายของท่านมีธาตุสิบปดสุดท้ายมีอายตนาสิบสองสุดท้ายมีคติสุดท้าย น, น, นมีอุบัติคือการเกิดเป็นครั้งสุดท้ายมีปฏิสนธิในภพใหม่เป็นครั้งสุดท้ายภพเนี่ยนะก็อยู่ภพสุดท้ายวัดสังสาระคือความไหลไปแห่งขันก็สุดท้าย นนะก็จะเหลือแต่วิบากวิปากวัฏอย่างเดียวสุดท้ายด้วยมีภพอันตั้งอยู่ในที่สุดเนี่ยนะภพของท่านเนี่ยสุดท้ายแล้วมีสรีระอันมีอยู่ในที่สุดส่งไว้ซึ่งร่างกายอันมีในที่สุดดังที่ท่านประพัน์ว่าพระขีณาสพนั้นมีภพนี้เป็นที่สุดมีสรีระนี้เป็นทีหลังไม่ได้มีชาติมรณะสงสารและภพใหม่ เพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องปฏิสนธิหน้าที่ต่างๆนะปฏิสนธิในโรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็ไม่ต้องเมื่อไม่เกิดก็ไม่ต้องตายเนี่นะเมื่อไม่ต้องเกิดก็ไม่ต้องตายเมื่อไม่เกิดไม่ตายก็ไม่มีขันอายตนะธาตุที่สืบเนื่องกันไปเมื่อไม่มีขันอายตนะธาตุการเกิดในพบใหม่ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นคาถาที่พระองค์ตรัสว่าเพราะเหตุนั้นสัตว์ผู้เกิดมาพึงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อ พึงเว้นขาดกามทั้งหลายครั้นเว้นขาดกามเหล่านั้นแล้วพึงข้ามโอฆ่าได้เหมือนบุคคลวิตน้าในเรือแล้วไปถึงฝั่งฉะนั้นเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นคาถาที่เป็นนิสรณะเนี่ยนะในกามสุตตนิเทศเนี่ยนะมีอยู่6คาถาด้วยกันเนี่ยนะก็ประกาศอริยสัจสองรอบเนี่ยนะคาถาแรกใช่ไหมว่าถ้าบุคคลปรารถนากามอยู่ถ้าสมปรารถนาเป็นไงเลิ่มใช่มมีความสุข อันนี้สมุทยัยสัตย์ใช่ไหมทีนี้ถ้ากามเหล่านั้นเสื่อมไปหรือเสื่อมจากกามก็ดิ้นรนกระสับกระส่ายเหมือนถูกลูกศอนแทงอันนี้เป็นทุกขสัตย์นียนะก็คือประกาศทุกขสัตย์เพราะฉะนั้นพระองค์ก็ตรัสว่าเพราะฉะนั้นสัตว์ผู้เกิดมาพึงเป็นผู้มีสติเว้นขาดจากกามทั้งหลายอันนี้เป็นมัคสัตย์กับนิโรสัตย์นั่นเองนนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นรอบแรกนะรอบแรกก็เท่ากับประกาศอริยสัตย์ส ทีนี้สามคาถาหลังคาถาคาถาแรกกันนะคาถาแรกของสามคาถาหลังก็คือผู้ที่เกิดมาก็โดยมากก็ปรารถนาใช่ไมนรชนทั้งหลายเนี่ยก็ปรารถนาอะไรปรารถนาเลือกสวนไรนาข้าถาสกรรมกรพวกวัตถุกรรมทั้งหลายอันนี้ก็เป็นการแสดงสมุทัยสัตว์ซึ่งปกติสัตว์นี่เป็นอย่างนั้นทีนี้เมื่อปรารถนาอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะอะไรเกิด กิเลสก็ครอบงามเมื่อกิเลสครอบงำอันตรายก็มีเมื่อมีอันตรายแล้วทุกข์ก็ติดตามเข้าไปเหมือนอะไรเหมือนเรือรั่วเหมือนรัวเรือรรรน้ําซึมเข้าเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นการประกาศทุกขสัตว์เนี่ยนะเสร็จแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าเพราะเหตุนั้นผู้เกิดมาก็พึงเป็นผู้มีสติทุกเมือ่อสติอันนี้ก็เน้นไปที่มรรคสัตว์เว้นขาดจากกรรมทั้งหลายด้วยสมถาวิปัสนาและอริยมรรคเนี่ยนะพันข้ามโอคะ นะจะข้ามโอคาได้จริงๆต่อเมื่อมีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยนะเพราะผู้ที่ทําได้อย่างนี้ก็เป็นผู้ที่ถึงฝั่งถึงฝั่งแห่งการรู้ยิ่งกําหนดรู้การละการทําให้แจ้งการเจริญเนี่ยก็คือถึงฝั่งแห่งอริยสัจเรียบร้อยบริบูรณ์เพราะฉะนั้นท่านเหล่านี้ก็จะเป็นผ้าหันใช่ไหมคุณธรรมของผ้าหันก็คือผู้ไกลาจากกิเลสโดยประการทั้งปวงเนยนะราคะโทสะโมหะไม่มีในจิตใจของท่านทั้งนั้นนะ่ะนี่นะ เมื่อไกลาจากกิเลสอย่างนี้ข่าสึกคือกิเลสภายในท่านกําจัดโดยไม่มีเหลือแม้แต่หน่อยเดียวเนี่ยนะสิ่งที่จะสร้างความเสียหายให้แก่ท่านไม่มีอีกแล้วแล้วก็ผ้ารหันนั้นอ่ะเป็นหักสี่กรรมเนี่ยนะกรรมที่จะนําเกิดในภพสามกำเนิดสี่คติห้าเป็นต้นเนี่ยกรรมเหล่านั้นท่านหักหมดไม่กรรมไม่สามารถจะนําเกิดในภพต่างๆได้อีกต่อไปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านจึงดํารงอยู่ในขันอันสุดท้ายอายตนาสุดท้ายธาตุสุดท้ายเนี่ยนะ พบใหม่พบของท่านถือว่าเป็นที่สุดอันภาสอาหารทั้งหลายนั้นนะ่ะเมื่อละกิเลสดับกิเลสได้ดีอย่างนี้เนี่ยนะท่านจึงเป็นนาบุญจริงๆควรแก่ปัจใจสี่ควรแก่จีวรควรแก่อาหารควรแก่ที่อยู่อาศัยควรแก่ยุกยารักษาโรคที่จะเอาไปบูชาท่านคู่ควรแก่การบูชาด้วยข้าวด้วยน้ําด้วยผ้าดอกไม้ของหอมประเทีปโคมไฟควรบูชาด้วยแม้กระทั่งรูปเสียงกลิ่นรสที่ดีที่ประณี๊ทั้งหลาย เพราะอะไรเพราะว่าท่านเหล่านั้นเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าเนี่ยนะก็ทําบุญกับผู้ที่ไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาไม่มีอาสวะเนี่ยนะสักการะแม้น้อยก็จะยังผลให้โดยมากเนี่ยนะทำบุญกับผ้าหันหนึ่งครั้งเนี่ยนะที่เป็นผ้าหันที่ทรงคุณอย่างนี้จริงได้บุญมากกว่าเลี้ยงปุตชชนคนมีกิเลสธรรมดาทั่วไปเนี่ยเป็นหมื่นปีเนี่ยนะเพราะว่าในธรรมบทเนี่ยท่านแสดงให้เห็นชัดเลยนะ ทา้งในวิมานเอ่อเปตตาวัตถุนะอังกุระเปตตาวัตถุ น, นั่นแหละเพราะว่าอังกุระเนี่ยทำบุญเนี่ยอยู่เป็นหมื่นปีอ่ะอยู่เป็นหมื่นปีแต่ว่าทําบุญกับคนทูตศีลเนี่ยนะบุญเนี่ยน้อยกว่าอินทกะที่ใส่บาตรกับผ้าอนุรธาครั้งเดียวนะั่นะเพราะนั้นผู้ที่ทําบุญกับพระอรหันเนี่ยได้เป็นนาบุญอย่างชั้นเลิศชั้นยอดชั้นเยี่ยมเนี่ย น, ะนั่นการทําพุทธบูชาเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทําเป็นอย่างยิ่ง พระอรหันต์ท่านจึงเป็นนาบุญจริงๆทำสัการะที่น้อยให้มีผลมากให้มีผลกว้างใหญ่ไพศาลอ่าแล้วพระอรหันต์เนี่ยท่านถึงจะได้รับลาบสัการะสรรเสริญอย่างนั้นท่านก็ไม่แอบคิดชั่วไม่แอบพูดชั่วไม่แอบทำชั่วไม่มีตันหาอาสะวะในอารมณ์ทั้งมวลเนี่ยนะซึ่งจะต่างจากปุถุชนคนมีกิเลส ท, ทั่วไปพอได้รับอารมณ์ที่ดีก็ บาปอากุศลตัณหามานะทิฏฐิทุจริตทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นแต่พระอรหันต์ไม่เป็นอย่างนั้นเพราะท่านตัดนะตัดความชั่วได้ทุกชนิดอย่างนั้นไม่มีความลับในการทำชั่วเลยแล้วก็พระอรหันต์เหล่านั้นก็ห่างไกลาจากผู้ไม่ได้อบรมกายไม่ได้อบรมศีลไม่ได้อบรมจิตไม่ได้อบรมปัญญาเนี่ยนะท่านเนี่ยเป็นผู้ที่ห่างไกลาจากคนที่ไม่เห็นพระอริยะ ไม่ได้สดับธรรมะของพระอริยะไม่มีวินัยของพระอริยะเนี่ยนะเพลินท่านห่างจากคนเลวคนพานทั้งหลายถึงจะใกล้ท่านท่านก็ยังห่างอนะแม้กระทั่งอะไรแต่นั่นนะพระจูลปันทกเข้ไปพระจักขุบาลน่ยนะสมมาเนนที่ไปอุปถากท่านไปทู่ศีลเนี่ยท่านไล่หนีเลยบอกว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปกับคนชั่วเช่นเธอเหาือนกันท่านไม่ต้องการจะคบหาสมาคมคลุกคลีกับคนเลวเนี่ยนะ ท่านจึงเป็นผู้ไกลาจากคนที่ไม่ได้อบรมกายไม่ได้อบรมศีลไม่ได้อบรมจิตไม่ได้อบรมปัญญาคนที่มากไปด้วยราคะโทสะโมหะคนที่จมอยู่ในบาปในะอกนะุศลคิดดูในอย่างตอนนี้เนี่ยนะพวกเราพวกสัตว์นรกทั้งหลายห่างจากพระพผ้ารหันขนาดไหนใช่ไหมเปรตทั้งหลายก็ห่างจากผ้ารหันขนาดไหนหมูเดรชานทั้งหลายก็ห่างจากผ้ารหันขนาดไหนคนมีกิเลส ท, ทั้งหลายคนมีตัณหาทั้งหลายห่างจากพผ้ารหันขนาดไหน เพราะฉะนั้นพาหานเนี่ยเป็นผู้ห่างไกลคนเลวโดยประการทั้งปวงเนี่ยนะถึงเดินอยู่ใกล้ท่านก็ห่างท่าน่ะเพราะคิดต่างกันใช่ไหมเพราะคิดต่างกันความรู้สึกนึกคิดต่างกันถึงเดินจับชายสังคติท่านก็ห่างจากท่านและพาหานทั้งหลายท่านก็ใกล้กับผู้ที่อบรมกา้อบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาผู้มีคุณธรรมล้าเลิศเนี่ยนะ พระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่มีการตาในภพอีกโดยประการทั้งปวงไม่มีบาปทุกชนิดเป็นผู้ที่ควรยกย่องสรรเสริญเนี่ยนะสรรเสริญด้วยไม่ว่าจะความปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบปฏิบัติธรรมเพื่อความ อ, ออกพ้นทุกเนี่ยนะปฏิบัติ ด, ดำรงอยู่ในมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งเป็นนาบุญของโลกเป็นผู้ควรกราบควรไหว้ควรสักการะควรยกย่องควรนับถือควรสรรเสริญเนี่ยนะแล้วก็พระอรหันต์เหล่านั้นเนี่ยดำรงมั่นอยู่ในอริยศีน อริยสม า, ธ, า, ญญ า, ามธิอริยะปัญญาอริยะวิมุตติอริยวิมุตติญาณทนะัศน์นั่นน่ะท่านก็เป็นผู้ที่เจริญงอกงามด้วยศรัทธาหิริโอตตา ป, ปะศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเนี่ยนะเป็นผู้ที่ไม่กําจัดบาปอากุศลทุกชนิดสมุทุทกขษัตริย์คือสรีระของท่านเนี่ยนะพบทั้งหลายท่านทําปริญญาหมดแล้วกิเลสทุกชนิดท่านละโดยไม่มีส่วนเหลือ อริยมรรคทั้งหลายกุศลธรรมทั้งหลายท่านอบรมท่านเจริญท่านพอกภูนจนบริบูรณ์เปี่ยมล้นเนี่ยนะท่านจึงหลุดพ้นไปจากวัฏฏะสงสารที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทั้งหลายได้นี่นะอันนี้ก็เป็นข้อความที่เอามาจากกามสุตตนิเทศซึ่งอธิบายโดยสรุปตามแนวแห่งอัตตกถาเป็นต้นเนี่ยนะซึ่งวันนี้ก็คงจะใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้